มันกุศลจิตเนี่ยถ้าคนรู้ปัจจัยนี่นะก็สบายกุศลเกิดไม่ยากแต่ถ้าไม่รู้จากปัจจัยเนี่ยยากนนะก็เหมือนกับจะข้ออะไรให้มันเป็นเสียงดนตรีเนี่ยนะไปข้อผิดที่มันก็ไม่เป็นเสียงดนตรีหรอกแต่ถ้าข้ะถูกที่มันก็สบายใช่ไหอยากตีให้มันดังๆงเนี่ยนะตีผิดะระฆังไปเอาปูนมาตีเงี้ยมันก็ดังไม่เพราะมันก็ต้องเอาระฆังมาตี เนี่ยเสียงก็เพราะฉันใดกุศ ล, ลจิตก็เหมือนกันคนที่รู้จักปัจจัยของกุศลเจริญกุศลไม่ยากแต่คนที่ไม่รู้จักปัจจัยเนี่ยโอ้ยยากจริงๆนะกุศลเนี่ยต่อไปนะว่าภายหลังวันหนึ่งบิดาของเด็กผู้เป็นสัมมาทิฏฐินั้นเทียมเกวียนไปแล้วเพื่อต้องการไม้ได้พาเด็กแม้นั้นอะ่ะไปแล้วบรรทุกเกวียนให้เต็มแล้ว ด้วยไม้ในดงขับมาอยู่ถึงภายนอกเมืองปลโคไปในที่อันมีความสำราญด้วยน้าในที่ใกล้ป่าชา้าแล้วได้กระทําการจัดแจงพัดนี่นะก็คือไปหาคนาหาหาไม้อะนะสมัยก่อนเนี่ยเขาอยู่ในเมืองกันไปหาคว้าของเนี่ยก็ต้องไปหาที่นอกเมืองทีนี้พอไปในป่าชา้าแล้วก็จัดแจงกินข้าวกินปลากัน ลำดับนั้นโคของเขาไปสู่เมืองกับหมู่โคที่ไปสู่เมืองในเวลาเย็นปล่อยโคไปก็ไม่ได้ติดตามดูโคนะโคนี่เห็นโคอื่นๆเขากลับเมืองกันหมดก็เลยติดตามโคนั้นกลับไปด้วยทีนี้ฝ่ายนายสากติกะเที่ยวติดตามโคอยู่ก็เข้าไปสู่เมืองแล้วในเวลาเย็นพบโคแล้วก็จูงโคนี่ออกไปอยู่ไม่ทันถึงประตูเมื่อเขายังไม่ทันถึงนั่นแหละประตูปิดเสียแล้ว ประตูเมืองเนี่ยนะถ้าได้ปิดปุ๊บลั่นดานแล้วเนี่ยนะแม้แต่พระราชาก็สั่งเปิดไม่ได้กะบอกผิดเวลาเขาว่าเงนินเพราะอะไรเพราะว่าผิดเวลามันเป็นกฎมนเทียนบานเป็นกฎของการรักษาบ้านรักษาเมืองเขาว่าเงนินเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โลูกของฉันอยู่ข้างนอกเนี่ยช่วยให้เปิดประตูให้ฉันเอาวัวออกไปหน่อยเธอเขายัางไงเขาก็ไม่เปิดขนาดพระราชาสั่งเปิดยังสั่งไม่ได้เลย ขณะนั้นบุตรของเขาผู้เดียวเท่านั้นนอนแล้วพายใต้แห่งเกวียนในส่วนแห่งราตรีแล้วก็ก้าวลงสู่ความหลับนอนใต้ใต้เกวียนเนี่ยนะท้องเกวียนนี่ก็นอนหลับไปก็กรุงราชคลครึกแม้ตามปกติก็มากไปด้วยอมนุษย์เออเมืองนี่ผีเยอะมือนันอมนุษย์เนี่ยมากอันหนึ่งเด็กคนนี้ก็นอนแล้วในที่ใกล้แห่งป่าช้านอนที่อื่นไม่ว่านอนป่าช้าต่างหาก แม้พวกอนมนุษย์ในที่ใกล้แห่งป่าชานั้นเห็นเขาแล้วมีนะใช่ไหมหรือว่าในมารสังยุทธ์เนี่ยพญามานเนี่ยก็เทวดาเหมือนกันนะั้นก็ติดตามหาเรื่องอย่างเดียวแต่ในขณะเดียวกันเทวดาผู้ผีบางคนก็เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ได้เชื่อบุญเชื่อบาปหรอกบางคนนี่ก็มีความเลื่อมใสในเรื่องบุญบาปมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกรรมและผลของกรรมนั้นผีนี่เชื่อมากก็ไม่ได้เหมือนกันนะเชื่อหมดไม่ได้เรมันก็เชื่อไว้ครึ่งนึง ถามว่าทำไงอีกครึ่งหนึ่งไปเทียบเคียงสอบสวนดูกับพระธรรมคำํำสอ น, น, นนะถ้าหากว่าเขาพูดไม่ตรงกับพระธรรมคําสอนก็เอาไว้ก่อนน ะ, ะผีก็ไม่ได้ว่าจะตรัสรู้ไปทุกเรื่องเรานะถ้าหากว่าเราไปศึกษาในสังยุตตนิกายจะรู้ว่าเทวดาที่เป็นมิจฉาทิฐิก็มีไม่ใช่ใ น, น้อยเลยบางคนนี่มาหาเรื่องกับพระพุทธเจ้าก็มีนะใช่ไหมหรือว่าในมารสังยุตตเนี่ยพญามารเนี่ยก็เทวดาเหมือนกันนะก็ติดตามหาเรื่องอย่างเดียว แต่ในขณะเดียวกันเทวดาผู้เป็นสัมมาทิฐิก็มีไม่ใช่ไม่มีอันเทวดาก็เหมือนคนนั่นแหละเทวดาไปจากไหนก็ไปจากคนนั่นแหละนบางคนก็เเขาก็ไม่ดีมากมายนักหรอกแต่เขาก็ทำบุญบุญบางอย่างก็พาให้เขาไปดีได้เหมือนกันแต่พื้นฐานที่สะสมมาไม่ดีนั่นแหละไปเกิดเป็นผีก็เลยเป็นผีไม่ดีไปด้วยเสียสลาบันผีหมดเลยนะทีนี้ก็บอกว่าในอมนุษย์ทั้งสองคือที่เป็นสัมมาทิฐิและมิจฉาทิฐินั้นน่ะ อมนุษย์ผู้เป็นมิจฉาทิถิกล่าวว่าเด็กคนนี้เป็นผักสาหารของพวกเราพวกเราจงเคี้ยวกินเด็กคนนี้โอ้จะกินเด็กเลยนะอมนุษย์ผู้เป็นสัมมาทิฐินอกนี้ห้ามอมนุษย์ผู้เป็นมิจฉาทิฐินั้นด้วยคำว่ายาเลยท่านยาชอบใจเลยอมนุษย์ผู้เป็นมิจฉาทิฏฐินั้นแม่ถูกอมนุษย์ผู้เป็นสัมมาทิฐินั้นห้ามอยู่ก็ไม่เอื้อเฟื้อถ้อยคาของเขา จัดเท้าเด็กคข้ามาแล้วนะเด็กที่มันจะกินน่นะดึงลากขามาเลยในขณะนั้นเด็กกล่าวว่านะโมพุทธสัขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคนะขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าแต่นะด้วยความที่สะสมเรื่องนี้มาเนี่ยพอนอบน้อมปุ๊บโสัทธาเกิดเลยนะมีโยมคนหนึ่งนะเขาเจริญพุทธคุณมากๆเนี่ยนะเขามาเล่าให้ฟังเลยพระอาจารย์บอกว่าผมเนี่ย เขาบอกว่ากลางดึกๆกเนี่ยนะมันเหมือนกับฝันใบมันเคลิ้มไปเลยนะว่าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์ตัสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนะในกลางดึกนี่นเลยเคยไหมใครเคยบ้างนะเจริญบ่อยๆแล้ว โ, โหนึกนอบน้อมพระพุทธเจ้าในขณะฝันนั่นแหละขอมาเคยนั่นกันนะเป็นบางครัง้งอ่ะนอบน้อมถ้าฝึกเจริญพุทธคุณบ่อยๆเนี่ยนะฝันยังนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าเลยก็ <c oughs> แลว้วก็จิตอาวรณ์กับคําสอนนี่ค่อนข้างอะแต่ดีแล้วละ่ะ แต่ไปอาวรกับเรื่องเอิญ น, นี่ยุ่งกันนะอาวรกับบางอย่างเนี่ยนอนกินไม่ได้นอนไม่หลับและไขมันแทบขึ้นเลยนั่นแหละวันนั้นก็เรื่องนี้เรื่องศีลเนี่ยอาวรมันมากนี่ไข่จะขึ้นให้ได้เลยนะแต่ถ้าจะมีจิตใจเป็นไปกับพระพุทธเจ้าเนี่ยแจ๋วแล้ดีแล้วนั่นนะฉันกล่าวเลยนะนะโมพุทธสก น, นอบน้อมแด่พระพุทธเจ้านะถ้าหากว่าเราไม่มีวิธีเจริญกุศลอย่างเอิญบโอ้ไม่แด่การในงานอะไรอย่างนั้นนั่นนะ ที่จริงไอ้สมาธิดีแต่ว่าคนนั่งไม่รู้อะไรก็นั่งไปเขาพาดนั่งก็นั่งแม่วันนี้นั่งเลยนะนี่เป็นการเจริญกรรมฐานนะถ้าใครเจริญกรรมฐานไม่เป็นก็เอาแบบนี้แหละไม่ใช่เป็นนั่งหลับสับ ป, ประงกซ้ายสับ ป, ประงกขวาโยกหน้าโยกหลังนานๆเป็นโรคกระเพาะเลยนะอย่างงั้นไม่ได้ผลอะไรเนาะนะยิ่งเจริญไปมากๆเข้านั่งหลับอย่างเดียวโอบางคนเนี่ยนั่งปั๊บเนี่ยนะคอพับทันทีเลยนะเก่งขนาดนั้นเนลยนะแต่นอนกว่าจะหลับนี่ยากเหลือเกิน เห็นบ่อยเหลือเกินเออบางวัดเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยขอให้ได้นั่งปั๊บเนี่ยโอ้ยคอเนี่ยเอียงบางคนโยกหน้าโยกหลังโยกซ้ายโยกขวาบางคนเนี่ยขยโยกขะโยกอยู่นั่นแหละเห็นมาเยอะจริงๆเลยนบอกโอ้ไม่ได้การในงานเลยอย่างนั้นนะที่จริงไอ้สมาธิดีแต่ว่าคนนั่งไม่รู้อะไรก็นั่งไปเขาพานั่งก็นั่งนะแม่วันนี้นั่งได้ตั้งชั่วโมงหนึ่งก็ว่างันนึกว่าได้บุญไปชั่วโมงที่ไหนได้โมหะเกิดตั้งชั่วโมงนึง สรุปแล้วอยู่อิริยาบทไหนก็ฉลาดเท่าเดิมน่ะแหละคนไม่มีความเข้าใจอะไรอันนั้นปัญหาสําคัญที่สุดขอให้มีความเข้าใจให้มันถูกต้องนั่นะนั่งยืนเดินนอนก็ไม่เป็นรายรอบนั่งก็ดีดีกว่านอนนอนมันหลับง่ายถ้าเข้าใจถูกแล้วเจริญกรรมฐานใดๆก็เป็นไปกับกุศลธรรมเอาจิตเป็นกุศลเป็นประมาณนะไม่ได้เอาอิรยาบทนั่งเป็นประมาณคนเล่นไพ่เขานอนเล่นที่ไหนก็นั่งเล่นทั้งนั้นแหละแต่ถ้าว่านั่งแบบนั้นไม่เกิดประโยชน์นั่นนะ การเจริญกรรมฐานก็นั่งแต่ว่าขอให้ความรู้ความเข้าใจเนี่ยนะมีความสําคัญที่สุดแต่ถ้าใครเจริญไม่เป็นเนี่ยขอแนะนําพุทธคุณอนะ่ะดีที่สุดเลยนะในบรรดากรรมฐานทั้งหมดเนี่ยนะศึกษาคุณของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจแล้วนั่งตรึกพุทธคุณเลยนะเออบางคนเนี่ยนั่งตรึกพุทธคุณเนี่ยนะปีติขนลุกชูชันเลยนะโยมบางท่านมาเล่าให้ฟังเนะี่ยโอ้ยเขาสบายใจมากเลยนะ นึกถึงคุณอรหังไกลจากกิเลสกําจัดค่าสึกคือกิเลสเทียบเคียงกับคนมีกิเลสเอามาไข่ครวญดีนะโอ้จเจริญไปคนลุกปีติชูชันสมัยก่อนโอ้ยนั่งเมื่อไหร่จะขนลุกกับเขาสักทีจะปีติกับเขาสักทีมันยากเหลือเกินอย่างนั้นแต่ถ้ามาจเจริญ น, นึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าบ่อยๆเอ้เกิดไม่ยากเนีสบายใจที่สุดนะพระพุทธเจ้า คิดดูนะว่าใครคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วเสียใจบ้างเว้นแต่คนไม่ดีนะคิดถึงพระพุทธเจ้าโอ้ยเรามันอาภัพแท้เกิดมาช่างบุญน้อยเราไม่สามารถปฏิบัติตามคําสอนของพระ อ, องค์ได้อย่างเงี้ยนะเออถ้าคนที่มีความผิดอยู่กับตัวเนี่ยจเจริญยากแต่ถ้าหากว่าคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะก็จะเจริญได้จเจริญและสบายใจมีปีติมีปรามโมทแล้วก็ทําให้มีใจที่จะฟังทำคําสอนของพระ อ, องค์มากขึ้นด้วยนะทีนี้ อามนุษย์เนี่ยกลัวภัยใหญ่เนี่ยนะพอพอเด็กคนนี้เจริญพุทธคุณปั๊บเนี่ยอามนุษย์เนี่ยเดือดร้อนนะเนะจึงได้ถอยไปยืนอยู่ลำดับนั้นอามนุษย์ผู้เป็นสัมมาทิฏฐินอกนี้กล่าวกับอามนุษย์ผู้เป็นมิจฉาทิฏฐินั้นว่าพวกเราทําสิ่งอันไม่ควรทําเสียแล้วพวกเราจงทําทันตก ร, รรมเพื่อเด็กนั้นเสียเถิดเรานี่มีความผิดกับเด็กนั้นนะต้องไถ่โทษทําทันตกรรม ดังนี้แล้วก็ยืนรักษาเด็กนั้นอมนุษย์ผู้เป็นมิจฉาทิฐิเข้าไปสู่พระนครยังถาดโภชนาของพระราชาให้เต็มแล้วก็ไปนาโภชนานั้นม า, เ, านะเข้าไปเอาอาหารจากในวังมาเลยต่อมาอมนุษย์ทั้งสองก็เป็นประดุดว่ามารดาและบิดาของเด็กนั้นปลุกเด็กนั้นให้ลุกขึ้นแล้วให้บริโภอโภชนานั้นประกาศความเป็นไปแล้วก็จารึกอักษรที่ถาดโภชนาะเนี่ยนะ มนุษย์เนี่ยเขียนอักษรให้รู้ด้วยอนุภาพของยักษ์ก็่พระราชานี่อ่านออกใช่ไหมเอ๊ะนี่มันทำไมเป็นอย่างจงอย่าเห็นดังนี้แล้วก็ไปข้าพระองค์ไม่ทราบมารดาบิดาของข้าพระองค์มาให้บริโภคในราตรีแล้วกว็ได้ยืนรักษาข้าพระองค์คิดว่าดูเลยไปลักถาทองคำพระราชาไปเนี่ยนะก็วอยไว้ขึ้นนะ่ะ แล้วก็ปิดประตูทั้งหลายแล้วก็คนดูเมื่อไม่เห็นในพระนครก็ออกจากพระนครตรวจดูข้างนน้นข้างนี้ก็เห็นถาดอันเป็นวิการแห่งทองคําคือถาดทองคําบนเกวียนที่บรรทุกฟืนก็จับเด็กน้อยคนนั้นไปด้วยสําคัญว่าเด็กนี้เป็นเด็กโจรดังนี้แล้วก็แสดงแก่พระราชาทีนี้พระราชาคือพระเจ้าพิมพ์พิสารนี่ก็ทอดพระเนตรเห็นอักษรทั้งหลายแล้วก็ตรัสถามว่านี่อะไรกันพ่อเด็กพระราชานี่อ่านออกใช่ไหมเอ๊่นี่มัน ทำไมเป็นอย่างนี้เด็กนั้นก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพข้าพระองค์ไม่ทราบมารดาบิดาของข้าพระองค์มาให้บริโภคในราตรีแล้วก็ได้ยืนรักษาข้าพระองค์คิดว่ามารดาบิดารักษาอยู่จึงไม่มีความกลัวเลยเข้าถึงความหลับแล้วข้าพระองค์ก็รู้เพียงเท่านี้แหละคือนึกว่าพ่อแม่เอามาให้กินเนี่ยนะพ่อแม่ให้กินเสร็จก็ยืนดูอยู่ก็เลยนอนหลับไปไม่รู้เรื่องอย่างอื่นอีกเลยที่ไหนได้อามนุษย์รักษาใช่ไหม อันคนที่มีบุญเจริญพุทธคุณเป็นต้นเนี่ยอะมนุรักษานะคนดีผีป้องกันเพา ง, งั้นผีคุ้มครองผีปกปักรักษาชีวิตของเขาคือสำนวนเขาว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมแต่ถ้าหากว่าเจริญพุทธคุณแล้วนะอกุศลยังให้ผลอีกก็แสดงว่าหมายทำกรรมน้ำทำกรรมมาหนักหนาสาหัสนะก็บอกว่าคนบางคนเนี่ยนะมีญาติเป็นตารวจด้วย ทนายก็เป็นญาติของเราสารก็เป็นญาติของเรายังเข้าคุกนี่ก็สือว่ า, าแสดงว่าอากรรโทษนี่หนักหนาสาหัสเหลือเกินเนี่ยนะจึงไปขนาดนั้นได้เพราะฉะนั้นบาปก็เหมือนกันถ้าหากว่าคนที่เจริญพุทธคุณเป็นต้นเนี่ยนะถ้าอากุศลไม่หนักหนาสาหัสจริงๆไม่ให้ผลรอกแต่แต่ว่าเราต้องมีใจมั่นคงกับคุณของพระ อ, องค์จริงๆทีนี้ลำดับนั้นแม้มารดาบิดาของเด็กนั้นก็ได้ไปสู่ที่นั้นคือไปสู่ที่วินิจฉัยคดีเนี่ยนะ พระราชาทรงทราบความเป็นไปนั้นแล้วก็ทรงพาชนทั้งสามไปสู่สำนักของพระศาสดากราบทูลความทั้งปวงนั้นแล้วก็ทูลถามว่าเนี่ยนะก็คือเอาเรื่องทั้งหมดไปเล่าให้พระราชาฟังพระยาพิมพ์พิสานเนี่ย น, นะว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพุทธานุสติเท่านั้นย่อมเป็นคุณชาติเครื่องรักษาหรือหนอะโอ้ยผู้เถเจริญพุทธคุณอย่างเดียวก็สามารถรักษาได้ขนาดนี้เลยเหรอ หรือว่าอนุสติการตามระลึกอย่างอื่นมีธรรมานุสติเป็นต้นก็เป็นคุณชาติเป็นเครื่องรักษาเหมือนกันเนี่ยนะถ้าหากว่าเราไม่มีเครื่องปกปักรักษาเลยเนี่ยนะจะเอาอยางอื่นเป็นเครื่องปกปักรักษายางอื่นๆได้อีกไหมลาดับนั้นภาษาสดากัตรัสแก่พระราชานั้นว่ามหาบาพิษพุทธานุสติอย่างเดียวเท่านั้นเป็นคุณชาติเครื่องรักษาก่อหามิได้ไม่เฉพาะอย่างเดียวหรอก ก็จิตอันชนเหล่าใดอ บ, บรมดีแล้วในฐานะหกน่ะ น, นะเอากรรมฐานหกอย่างนี้เจริญกรรมฐานหกอย่างนี้ได้ก็สบายแล้วล่ะกิดด้วยอันรักษาและป้องกันอย่างอื่นด้วยมนและโอสถย่อมไม่มีแกนชนเหล่านั้นใครไม่ต้องเรียนเวทมนต์เรียนคาถาเรียนเรื่องอยู่เรื่องยามมากนักนะเนี่ยนะเจริญกรรมฐานหกอย่างนี้สบาย เ, นะเมื่อจะทรงแสดงฐานะหกได้ทรงพาสิทธิพระคาถาเหล่านี้ว่าสุ ป, ปะพุทพังปปุชันติสะทาโคตมสาวกาเยสังที่วาจรตโตจะนิจังพุทธคตาสติเป็นต้นเนี่ยนะว่าสติของชนเหล่าใดเป็นไปแล้วในพระพุทธเจ้าเป็นนิจทั้งกลางวันทั้งกลางคืนชนเหล่านั้นเป็นสาวกของพระโคดมตื่นอยู่ด้วยดีในการทุกเมื่อเนี่ยนะ เพรฉนั้นคนที่ยึดสติอันเป็นไปแล้วในพระพุทธเจ้าคือเจริญพุทธานุสติหลับอยู่นั่นแหละเมื่อตื่นก็ชื่อว่าตื่นอยู่ด้วยดีก็ที่ชื่อว่าชื่อว่าเป็นสาวกของพระโคโดมเพราะความที่ตนเกิดแล้วในที่สุดแห่งการฟังพระพุทธเจ้าผู้โคตรมโคตรและเพราะความเป็นคือฟังอนุสาสนีของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น มันคนที่เจริญพุทธานุสติว่าพุทธคตาสติความว่าสติของชนเราได้ปรารบพระพุทธคุณทั้งหลายอันต่งด้วยคุณมีอิติปิโสพระขาวาเป็นต้นแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหังพระองค์เป็นพระรานไกลจากกิเลสกําจัดท่าสึกคือกิเลสเป็นต้นเนี่ยนะชนเหล่านั้นชื่อว่าตื่นอยู่ด้วยดีแม้ในการทุกเมื่อเนี่ยนะนะเจริญพุทธานุสติก็ชื่อว่าตื่นอยู่นะก็ชนเหล่านั้น เมื่อไม่อาจาเพื่อกระทำอย่างนั้นได้ทำซึ่งพุทธานุสติไว้ในใจวันหนึ่งสามเวลาสองเวลาหรือแม่เวลาเดียวก็ชื่อว่าตื่นอยู่เหมือนกันอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก่อนนอนก็เจริญพุทธานุสติแล้วก็ไหว้พระแล้วก็นอนตื่นเช้ามาก็เจริญพุทธานุสติอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะเจริญอย่างนี้ก็ได้ให้ชื่อว่าชื่อว่าคนตื่นอยู่นะหรือไม่ได้ก็วันละครั้งก็ยังดี ช่วงไหนว่างๆแต่ก็แหมครั้งหนึ่งอรหังสัมมาสัมพุโทโธพระกวาสองนาทีเนี่ยนะว่า ย, ยัางรีบเร่งเร่งรีบแต่ถ้าอย่างนี้ก็ไม่ได้มีผลมากเท่าไหร่นะกุศลจิตมันก็เพิ่มหนีโม่อย่างนั้ น, นมันทําแบบรีบรีบะนะรีบเร่งเร่งรีบอย่างนี้ไม่ได้ผลมากหรอกเพราะฉะนั้นทําด้วยความเข้าใจแล้วก็ให้จิตใจสงบที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วก็สงบก็ไม่ใช่สงบเฉยๆนะสงบที่มีคุณของพระพุทธเจ้าเป็นต้นนั่นแหละเป็นอารมณ์เนี่ยนะ ถึงเราไม่ยืนไม่นั่งก็ไม่เป็นไรยืนอยู่ก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ในอิรยาบททั้ง4ใช่มแม้แต่เด็กคนนั้นยังตื่นมาณโนะมพุทธะขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเขาก็ยังทำได้ในทุกอิรยาบทนั่นแหละไม่ควรเกี่ยงว่าเวลาไหนเป็นเวลาไหนขอให้มีใจเป็นไปกับคุณของพระพุทธเจ้า สุ ป, ปะผู้ทางปะปุชันติสธาโคตมสาวกาเยสัง่งธิวาจัลโตจะนิจังธรรมคตาสติสติของชนเหล่าใดเป็นไปแล้วในพระธรรมเป็นนิจทั้งกลางวันทั้งกลางคืนชนเหล่านั้นเป็นสาวกของพระโคดมตือนอยู่ด้วยดีในการทุกเมื่ออันนี้ก็เจริญธรรมมนุสตินั่นเองมีสติที่เป็นไปกับพระธรรมคำํำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ดีแล้วเป็นธรรมที่ศึกษาและปฏิบัติ เพิงเห็นได้ด้วยตนเองเป็นธรรมะที่ศึกษาและปฏิบัติได้ดูแลรักษาแล้ใช่ไหมกัดการเป็นธรรมะที่ควรน้อมเข้ามาในตนคือสุปปพุทธังปะพุชันน้อมจิตของตอนเข้าไปหาแล้วก็นิจจที่วินยูชนจะเพิงรู้ได้เฉพาะตนเนี่ยนะอันก็มีใจที่ตามละลึ KN ึกถึงคุณของพระธรรมคำสอนเหล่านั้นนั่นแหละ น, นี เพราะนั้นก็ชื่อว่าตื่นนี้ก็ชื่อว่าเป็นคุณชาติเป็นเครื่องปกปักรักษาเป็นเครื่องป้องกันนั่นะนี่ก็เป็นนับว่าเป็นมนอย่างดีเป็นยาอย่างดีที่รักษาใจใช่ไหมคนส่วนใหญ่ส่วนมากก็ปกปักรักษาร่างกายซะส่วนใหญ่เนี่ยนะแต่แมมใจเป็นบาปนี่ไม่อยากรักษากันเลยนะก็บอกว่าร่างกายเป็นแผลเป็นฝีเป็นน้องหน่อยๆเนี่ยโอ้ยคิดหาหมูกหาหมอเพื่อที่จะดูแลรักษาแล้วใช่ไหมแต่ใจเป็นไปกับอกุศลเมื่อไหร่จะเห็นโทษเห็นภัยแล้วรักษาบ้างเนาะ สุปปาพุทธังปะพุทชัญติสัทาโคตมซาวกาเยสังธิวาจรัตโตจะนิจังสังฆาคาตาสติเนี่ยนะสติของชนเหล่าใดเป็นไปแล้วในพระสงฆ์เป็นนิจทั้งกลางวันทั้งกลางคืนชนเหล่านั้นเป็นสาวกของพระโคโดมตือนอยู่ด้วยดีในการทุกเมื่ออันนี้ก็คือการตามเจริญสังขานุสติการตามระลึกนึกถึงคุณของพระสงฆ์พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าปฏิบัติดีแล้ว พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติตรงแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติธรรมเพื่อรู้ธรรมะเป็นเครื่องออกจากทุกข์คือปฏิบัติเพื่ออริยมรรคอริยผลและนิพพานแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วคือคู่แห่งบุรุษสีคู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปบุรุษนั่นแหละสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ควรของต้อนรับ ผู้ควรของทักสินาทานนะครับว่าทักสินาทานก็คือทานที่บุคคลให้ด้วยศรัทธากรรมกรสกตาศรัทธาไม่ได้หวังผลอย่างอื่นให้อย่างนี้เขาเรียกว่าทักสินาทานทีนี้ทานเหล่านั้นที่ให้ไปแล้วเนี่ยนะเพราะท่านเหล่านั้นเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าเป็นผู้ควรกราบควรไหว้ควรของต้อนรับเชื้อเชิญเป็นต้นเนี่ยนะในบรรดาแขกที่ดีที่สุดที่มาบ้านเป็นแขกที่ควรแก่การต้อนรับ สาวกของพระพุทธเจ้านั้นดีที่สุดเพราะรับแขกเหล่านี้แล้วเนี่ยนะเพรา ะ, ะพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าสามเมื่ยังสุขในโลกนี้เมื่อเมื่อพระสงฆ์เข้าไปในละแวกบ้านของผู้ใดการที่บุคคลเชื้อเชิญกราบไหว้นั่นเป็นเหตุแห่งตระกูลสูงเนี่ยนะการกราบการไหว้เอาพระสงฆ์จริงๆนะไม่ใช่เอาลูกชาวบ้านที่ปลอมเป็นสงฆ์อันนี้ไม่ใช่นะมันแยกแยะลูกชาวบ้านกับพระสงฆ์เนี่ย ลูกชาวบ้านครับประสงค์เหมือนกันไหมลูกชาวบ้านปฏิบัติตัวดีก็มีปฏิบัติทั่วกว็มีอันนี้เอาแน่เอานอนเอาเป็นประมาณไม่ได้แต่สาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยแค่ไหนจึงจะเรียกว่าสาวกพระโสดาบันเป็นต้นไปจึงจะเรียกว่าสาวกนั่นแหละเอาผู้ที่มีคุณธรรมเป็นพระโสดาบันเป็นต้นไปนะไม่ใช่วโหไปนี่มนเชื้อเชิญที่ไหนมาเอ้ไม่เหมือนที่ท่านว่าสักหน่อยเลยอย่างเงี้ยอันนี้ช่วยไม่ได้เนะี่ยคัดไม่ดีบอกตัวยาแล้วไปซื้อยาผิดขนาดมาไม่ได้นะ ก็บอกว่ายานี้กินแล้วดีจริงๆนะต้องยี่ห้อนี้แต่นี่มีคนทำเลียนแบบอ่ะใส่ยี่ห้อเหมือนกันใส่ขวดเหมือนกันแต่ตัวยาคนละเรื่องเลยอันนี้จะไปว่าคนบอกผิดไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะเราไปซื้อยาผิดขนาดมาเองอะ่ะมาดูแต่ฉลากดูแต่ยี่ห้อข้างนอกนี่เอาเป็นประมาณไม่ได้เพราะฉะนั้นพระสงฆ์ก็เหมือนกันเราศึกษาให้เข้าใจให้ดีเพราะฉะนั้นทางที <c oughs> ่ดีท <c oughs> ี่สุด <c oughs> เจริญสังฆคุณให้มากๆปรารภถึงผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเขาผู้นั้นที่มารับเนี่ยนะจะเป็นพระหนุ่มเ น, น้เนาะยังไงก็ช่างเถอะอันนี้เรื่องของเขาโดยสีโดยสันธานโดยกลิ่นโดยโอกาสโดยพวกของพระพุทธเจ้า <c oughs> สุ ป, ปะพุทธังปะพุทธชันติสทธาโคตมะซาวกาเยสังทิวาจัตโตจะนิจจังกายคตาสติ สติของชนเหล่าใดเป็นไปแล้วในกายเป็นนิจทั้งกลางวันทั้งกลางคืนชนเหล่านั้นเป็นสาวกของพระโคโดมตื่นอยู่ด้วยดีในการทุกเมื่อคนที่เจริญกายยัตาสติก็คือคนที่เจริญอาการสามสิบสองนั่นเองเจริญอาการสาสิบสองพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยอะในกระดูกมากหัวใจตับไตไส้ปอดเนี่ยนะอาหารใหม่อาหารเก่านา้ำดีน้ำเสลน้ำน้องน้ำ ม, มันขน้นน้ำมันเลียวน้ำไข่้ขอน้ำมุด โดยสีโดยสันธานโดยกลิ่นโดยโอกาสโดยปริเชษแล้วสงเคราะห์โดยสมุทฐานโดยเหตุโดยปัจจัยโดยรูปเป็นต้นนั่นะใครควรพิจารณาสภาวธรรมเหล่านี้หรือว่าร่างกาย